ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทํามจากหมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอประวัติของพระอนุรุาเทระในตอนนี้เป็นการพรรณนาคุณสมบัติของท่านบมืก่ได้พูดถึงมาในช่วงที่บอกว่า พระนุรุทธะผู้เป็นปราชญ์ผู้มีปีชาอาสวะไม่ได้คือเลือกหาเอาแต่ผ้าบางสกุลครั้นได้มาแล้วก็สักย้อมแล้วนุ่งเองนุ่งขมข้อต่อไปบอกว่า ภิกษุใดเป็นผู้มากๆไม่สันโดษชอบคลุกคลีด้วยมู่มีจิตฟุ้งซ่านบาปธรรมเครื่องสมองเหล่านี้ย่อมมีแก่ภิกษุนั้นต้องควาลองสังเกตว่านี้เป็นอาการของอกุศลจึงไม่ได้เจาะจงว่าเป็นภิกษุหรือฆรวาสใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้น ก็จะกลายเป็นคนที่มีมนทินเครื่องเศร้าหมองใจเป็นอันมากประการแรกคือมากๆเป็นอาการของโลภะตัณหาที่พยายามตอบสนองความปรารถนาของตนในเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุกรรมคือต้องการได้รูปมากๆ ฟังเสียงไพเราะมากๆดมกลิ่นหอมหอ ม, มากๆลิ้มรสอร่อยที่มากๆแล้วก็ได้สัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจกรดิ น, ดนุ่นขวนขวายตอบสนองกันจะหาคำตอบกรอบไม่ได้ว่ามากขนาดไหนที่เรียกว่าพอ ระวยใจของสัตว์โลกนั้นจะพร่องคือไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของปัญหาพอในที่สุดมันก็ล้าเส้นไปอยากได้ในเรื่องที่ไม่ควรได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ของคนที่ตนเองไม่ควรเกิดการล่วงเกินการผิดศีลข้อที่สองนั่นแหละแต่มันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนถึงก็พวกการโชครัพป์ปกปล่นปลุกจี้ปกหลอกลวงตลอดถึงแย่งชิงจับตัวประกันในอะไรต่างๆมากมายแกล้เป็นรติกรรมที่เราเห็นกันรู้ยกตัวอย่างง่ายว่าแผ่นดิตเนี่ยแต่จิงมันเป็นสมบัติของโลก เป็นสมบัติมีให้โลกอาศัยแต่กระจายสอยผลประโยชน์จากแผ่นดินแต่ก็มีพวกมากๆที่แสวงหาครอบครองแผ่นดินไว้จำนวนมหาศาลมากในขณะที่ประชากรในชาติเดียวกันมีสักมีสิทธิ์เสมอภาคกันแต่พวกนี้ก็ปฏิเสธสักและสิทธิ์ของบุคคลเหล่านั้น แล้วก็พยายามแสวงหาประโยชน์กาะกลุ่ยผลประโยชน์ยึดครองที่ินเหล่านั้นเอาไว้และพอตัวเองตายจากไปก็กลายเป็นมรดกของลูกหลานสภาพทางสังคมที่เรามีความแตกต่างกันในด้านเศรษฐกิจในด้านสังคมในด้านการศึกษาในด้านหน้าที่การงาน ตลอดาึงอนาจหนา้าที่ทางบ้านเมืองจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นมาจากการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันในด้านอุดมการถ้าเราอ่านหลักอุดมการของการบริหารราชการแผ่นดินหรือบริหารประเทศไม่ว่าในยุคสมัยใดก็ตาม ก็ต้องการให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขมีสันติภาพคนขอบโดยสันติธรรมมีความเสมอภาคกันในด้านสิทธิต่างๆแต่สองอย่างเนี่ยมันก็เกิดไม่ได้สิทธิที่เท่าเทียมกัน มันก็เกิดไม่ได้เสรีภาพที่เสมอกันก็เกิดไม่ได้เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งมันมีความมากมากเกินเหตุเกินผลไปโกยตักตัวงบนปลือตัวเองกันโดยวิธีการต่างๆกินอยู่เหลือเฟือแม้แต่บางทรั้งบางคล่าวนะฮะ เช่นสมมติว่าญาติโยมไปเลี้ยงพัฒนาหารแก่พระภายในวัดอ่ะก็มากมายเลเกินในขณะที่เด็กยากจนก็เดินอยู่แถวนั้นว่อนอยู่แถวนั้นถือผ้าชนะติดมือมาต้องการจะขอเศษอาหารบางทีก็มีการให้บางทีก็ไม่ให้ คนสังคมเหล่านี้ที่มันมีปัญหาคือคนถูกครอบงำรุ่ยความมากๆพอมากๆแล้วมันปรารถนารายปรารถนาชั่วสำนวจบาลีเรียกว่าปรารถนาลามกปาปิโฌ ค, คือปรารถนาลามกไม่คำนึงถึงรูปแบบที่ตัวเองจะได้ขอให้ได้เป็นประการสำคัญ อาตกาที่เป็นข่าวเป็นคราวอยู่ในบ้านในเมืองตั้งแต่ใไหนแต่ไรมานะบากครังมันรุนแรงจนนึกไม่ออ ก, กว่าเอมนุษย์มันทำกับมนุษย์ได้ขนาดนี้เฉลอือแต่เขาก็ทาไปแล้วบางครังมีความรุนแรงจนมีการปล้นเขาต่อสู้ขัดขวางก็มีการฆ่า <ítulo> อย่าไม่สาแก่ใจก็ไปกลุมขืนคนในครอบครัวอย่าไม่สาใจก็เผาบ้านเขาทำลายทรัพย์สินต่างๆทุกทุที่ตัวเองเอาไปไม่ได้แล้วมันเรื่อยไปจนถึงกับกองทัพกับกองทัพที่เข้าไปสู้รบกัน ยึครองทรัพย์สินต่างๆที่ถือไปได้ผ่าไปได้เป็นจานวนมากแล้วแต่ทรัพย์สินที่เหลือก็ทำลายหมดแต่ก็เผ า, บ, า, เ า, เ บ, า, เาบ้านเผาเมืองบางทีก็เผาบ้านเผาเมืองเลยคือไม่ใช่หลังเดียวแต่ก็หลายๆหลังคือเผากันเป็นบ้านเป็นเมืองเลยโดยไม่นึกว่าพี่น้องเราอยู่อย่างไห ต่อไปก็จะอยู่อย่างไงเขาไม่มีที่อยู่ก็จะกินอะไรเพ ร, ะ ร, ราะเราปล้นหมดก็จะนุ่งห่มอะไรเพราะไม่มีเสื้อผ้าที่จะนุ่งห่มเขาเจ็บไข้ไม่สบายก็จะอยู่อย่างไงนี่ไม่ได้คิดเลยวันความโลภจึงเป็นอันตรายของทุกเรื่องแต่วันในที่นี้ท่านเน้นไปที่มกักมากคือมันมันโลภเกินน่ะโลภเกินเหตุเกินผลไปก็กลายเป็นคนมากมาก อยากได้ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเมื่อไรจะเต็มเมื่อไรจะอิ่มเมื่อไรจะพอคนเล่นี้ไม่มีคำตอบแล้วก็ไม่ต้องเกิดขึ้นมากคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่มีพฤติกรรมอย่างนี้แต่มันสร้างความเดือดร้อนกระจายเช่นสมบูรณ์มีจังหวัดหนึ่งมีโจรขึ้นมาสักแก๊งหนึ่งเนี่ย ยุคตายแล้วหรือว่าเหตุการณ์ที่พักตายถ้านับจำนวนคนก็คงไม่มากหรอกยังแต่ว่าใครไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่นนั้นเองแต่เวนี้ราศด ร, รก็เดือดร้อนมาสาสปีแล้วนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่ามนุษย์เราถ้าเกิดสำนึกประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเนี่ย มีปัญญาเพิ่มขึ้นมากๆเป็นความโง่เป็นความเคลาแต่วางมากก็จะลดลงพอมาถึงระดับเนี่ยระดับพระอริยบุคลุี่จริงระดับนักปราชญ์ก็พอแล้วระดับนักปราชญ์ที่ท่านเป็นบัณฑิตต่นยังมีความโลภอยู่แต่ท่านกำกับควบคุมความโลภไปได้ ก็ไม่ถึงกับไปล่วงละเมิดสิทธินในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นมากๆในทรัพย์มากๆ ใ, ในกามมากๆในยศ ม, มากมากมมันมากๆเยอะฮะมันมากๆกเยอะเลยนี่คือสแสดงให้เห็นว่าถ้ามนุษย์ ยกระดับจิตตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนความมากมากก็จะลดลงลดลงลดลงลดลงจากนั้นก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะเหตุแห่งความมากมากแห่งตนเพราะกำลังแห่งความมากมากไม่มากพอที่จะไปล่วงละเมิด สิทธิในทรัพย์สินทรัพย์สินของบุคคลอื่นแล้วพอถึงจุดหนึ่งแม้จะมีครอบครัวมีผู้ครองเป็นปกติสุกตาแต่ก็จะยินดีเฉพาะพัญญาของตนสามีของตนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีกับพัญญาของบุคคลอื่น พอถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นสีระดับอัพ ร, รมัมคืองดเว้นจากการส่องเสพในทางกายมากุลพอถึงจุดหนึ่งก็บําเป็นเพียนทางจิตไปสงบไปสยบความรู้สึกเหล่านี้พอถึงจุดหนึ่งเป็นพระนาคามีก็ดับกิเลส ดับกิเลสประเภทมากๆทั้งหลายเนี่ยนะปฏิจริงก็เยอะสังโยชน์แต่ลาได้ถึงห้าประการมนุษย์นี่เป็นสัตว์โลกที่พัฒนาได้เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่พัฒนาได้โดยไม่มีขีดจำกัดจนถึงมนรุมรรคนลเป็นประหา แต่ว่าในขณะที่พระนรทตันยังมีชีวิตอยู่พระหันทันยังมีชีวิตอ ย, ย, ยู่คนที่มากๆ ม, มันก็มีเยอะอย่างพระเทวทัตเป็นลูกพี่ลู ก, ลกน้องกันนะเอาบวชพร้อมกันแต่พระเทวทัตกลายเป็นผู้มากมากที่หาจุดจบไม่ได้จนถึงขนาดอยากเป็นพระพุทธเจ้า ในขณะที่พระนุษรักอยากเป็นพระอรหันต้องการจะเป็นพระอรหันต์ประการต่อไปคือไม่สันโดษกำว่าสันโดษค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยเราไม่ค่อยจะเข้าใจสารัะที่แท้จริงของสันโดษบางทีก็ไปตีความมาสันโดษก็คือการปลีกวิเวกอยู่สงบคนเดียว สร้างกระต๊อบอยู่ในป่ากลางทุ่งคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุคคลอื่นแต่ว่าสันโดดนั้นที่จริงเป็นหลักสมาชีพเป็นหลักการในการครองชีพในการลดความมากๆลงไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่สันโดดนะฮะ หายความไม่สันโดษคือไม่ยินดีตามที่ได้ตามที่มีตามที่เป็นตามเหมาะต่างคดแต่ว่าสันโดษนั้นจริงๆแล้วก็คือในชั้นของการแสวงหาก็ใช้ระดมกําลัง ล, งลงไปได้เต็มที่เขาไม่ได้ว่าอะไรดอกกำลังคนกำลังทรัพย์กำลังทุนกําลังอะไรต่างๆ เครื่องยน์ ก, นกลไกก็ใช้ลงไปเถอะเขาไม่ได้ว่ากันเพียงแต่ว่ากรอบในการแสวงหาจะต้องได้มาในทางที่ชอบทำไม่ผิดกฎหมายแล้วไม่ผิดสินรรปฏิกติกฎหมายมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าผิดสินธรรมขาดจริยธรรมในการครองชีวิต มันก็ไม่สันโดดคือมันจะมีปลูกจุดของมันมาตรงไหนเป็นสันโดษตรงไหนเลยเส้นขนานไปก็กลายเป็นไม่สนโดษแต่สันโดษก็ไม่สันโดดที่จริงอยู่คนอยู่ขั้นโดยเส้นขนานของการกํากับควบคุมจิตแล้วก็ไปผูกพันกับคนอื่นก็ต้องเคารพสิทธิของบุคคลอื่นด้วย ทำให้พโร์ตสิทธิของบุคคลอื่นก็ชื่อว่าไม่สันโดษสันโดษนั้นสันตุถีประมังธะนังสันโดษเป็นทรัพย์อันยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนครองชีวิตอย่างสันโดษเสวงหาตามที่ได้ แล้วเมื่อได้มาแล้วก็ยินดีตามที่มีอยู่มากก็ไม่ได้ว่าอะไรน้อยก็ทำใจยินดีวันนี้ได้น้อยพวกนี้อาจจะได้มากแล้วก็สรุปว่าก็ยินดีตามที่ได้มะแต่พวกนี้ได้มาเท่าไหร่ไม่พอในพระบาลีวินยัยยบิโก แต่ในเล่าถึงภิกษุณีรุปหนึ่งชื่อทุลราดนันธาทุตลาก็แปลว่าอ้วนนะแสดงว่าร่างทันใหญ่อ้วนมากหินจุไปบินตบาทด้วยกันกับเพื่อนๆก็บินเพี้ยวแถวพนอาหารที่คนตักมาก็ปริมาณเท่ากันหรื อ, อางน้อยก็ใกล้เคียงกัน มีต บ, บ, บาทเสร็จแล้วกลับไปถึงวัดท่านรู้สึกว่าของในบาทท่านมันน้อยเดี๋ทําไมของในบาทคนอื่นมันเยอะเลยขอเปลี่ยนเปลี่ยนกับรูปที่สองรูปที่สองรับแล้วค่อยเปลี่ยนกับรูปที่สามรูปที่สามรับแล้วก็เปลี่ยนกับรูปที่สี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่บาทท่านนะ่ยมันเดินไปเปลี่ยนกับคนอื่น จนในที่สุดบาทรขอท่านนะ่ะย้อนกลับมาหาท่านแล้วท่านก็ยังไม่รู้จักพออยู่นั่นแหละอิสุนีรูปนี้มีปัญหาเยอะสือทุนละนันธารูปร่างใหญ่โตวนทวนนี้แสดงว่าเรื่องความอยากอย่างเดียวนะ่ะอยากกินอย่างเดียว อยากกินอย่างเดียวก็ต้องการจะได้รมาคือถ้าไม่นึกภาพเคยนั่งดูหมูมันกินอาหาราสังเกตพฤติกรรมของมันหมูขนาดไม่เท่ากันหมูตัวใหญ่นั้นจะเข้าไปทางด้านหนึ่งแล้วกีดกันในส่วนข้างของตน กินที่ส่วนของคนอื่นไปก่อนก็แย่งจากคนอื่นไปก่อนแล้วกินกันจนอิ่มเสร็จแล้วก็เอาคอพาดไว้ที่รางกลัวคนอื่นจะมาแย่งแล้วก็พอหิวขึ้นก็กินเพราะลูกหมูจะกินไม่อิ่ม คนเลี้ยงหมูเ ข, ขก็แยกแยกกลุ่มออกไปไอ้ต่างตัวต่างกินต่างกอดต่างอยู่ก็แบ่งเว็นที่เป็นทางก็เพื่ออะไรก็เพื่อคุมความไม่สันโดษของหมูเกือไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เรื่องความไม่สันโดษความมากมากน่ยมันทั้งคนทั้งสัตว์นั่นแหละ ทีนี้เมื่อเราครอบครองแล้วมีทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยจะเรียกว่ายถาสารุปสันดุยินดีตามเหมาะตามควรจะเก็บไว้เท่าไหร่จะนำไปดําเนินธุรกิจเท่าไหร่จะเลี้ยงดูครอบครัวเท่าไหร่จะเก็บออมไว้เท่าไหร่ แล้วจะแจกแบ่งส่งเคราะห์ญาติส่งเคราะห์พื้นฝูงเท่าไหร่จะบำเพ็ญบุญเท่าเท่าไหร่มันเป็นการรับผิดชอบกระบวนการของชีวิตคือเราจะเห็นว่าชีวิตเรารับผิดชอบในปัจจุบันแึ่วันการแสวงหาด้วยการได้มาด้วยการไปพบชายอยแต่วันข้างหน้านี่เราก็ไม่รู้อะไรจะเกิด มันก็ต้องมีเก็บเงินเอาไว้แล้วก็เพื่อเพิ่มภูนมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนแล้วก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองส่วนหนึ่งก็แบ่งไปเลี้ยงดูตัวเองเรามีเชื้อสายมีวงศาคณะญาติมีเพื่อนฝูงเราเป็นสัตว์สังคมจำเป็นจะต้องช่อเหลือกึ่งกุดกัน วนส่วนหนึ่งก็เอาไปส่งเคราะห์อหนุเคราะห์กันแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีสังสารวัตที่รออยู่ข้างหน้าชีวิตเราจะแตกดับเมื่อไรเราก็ไม่รู้มันก็ต้องเตรียมเป็นสเสบียงเลี้ยงตัวเองไว้ในการข้างหน้าโดยการมาเป็นบุญมาเป็นกุศลสาธารณนาต่างๆ เวลานี้คนก็นมีนิมิตหมายที่ดีแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวเกือถท่าที่รู้มาเนี่ยว่ามีญาติโยมเขานัดประชุมกันแล้วก็เชิญวิทยากรไปบรรยายวิชาการต่างๆในเรื่องของศาสนาแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นบ้านคนซึ่งมีสถานะ เดี่ยวพื้นที่ไม่กว้างเวลานี้ก็ยังใช้กันอยู่แต่ตอนนี้มันขยายไปเช่าโรงแรมเ ช, ช่าหอประชุมคนก็มากันเป็นพันๆ ห, หลายพันร่วมการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเงี ย, งงยบๆแล้วก็ชาวบ้านเองก็มาขีดเขียนหนังสือขึ้นเผยแพร่ธรรมะ หรือแบ่งเบางานของพระไปเยอะเพราะว่าพระไม่ค่อยได้ทำงานนี้กันเท่าไหร่แล้วก็มีการสร้างในรูปคล้ายๆกับอาสมหรือธรรมสถานออกนอกเมืองอยู่ในป่าเงียบๆ นัดหมายกันไปศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ตามแต่ตัวเองต้องการอะไรถนัดอะไรไอันนี้คือสิ่งดีงามถึงเกิดขึ้นในบ้านในเมืองและถ้าหากว่าคนที่มีเงินเป็นหลายๆล้านเนี่ยนะจะเก็บไปทำอะไรมาก สร้างให้เป็นสาธารณกุศลมันจะเกิดบุญแก่บุคคลนั้นทุกครั้งที่มีการใช้เช่นเราสร้างอาคารไปหลังหนึ่งเนี่ยเขาใช้ในกิจกรรมที่เป็นกุศลมันก็เกิดบุญแก่ผู้บริจาคทุกครั้งที่เขาใช้ตายไปแล้วบุญก็ติดตามเข้าไป พระพลจับะทานน บ, บริจากนี่เป็นเรื่องที่น่ามองนะถ้าเรามองสังสารวัฏเป็นกระบวนการเป็นกระแสที่เลื่อนไหลหมุนวนกันไปไม่รู้จักจบจนกว่าจะบรรลุมรรคผลเป็นประหานอาการสันโดษก็จะเด่นชัดแต่ว่าตอนนี้มันก็เชื่อมโยงระหว่างมากกับการไม่สันโดษนั่นแหละ แล้วก็ตีนี้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะนี้เราก็พูดในแง่ของของสังคมนะฮะสังคมไหนก็ตามเถอะว่าถ้าคลุกคลีกันมากตั้งวงตื่นเช้าขึ้นมาก็ตั้งวงกินกาแฟตอนเที่ยงก็ตั้งวงเลี้ยงดูอาหารกัน ตอนเย็นก็ตั้งวงเลี้ยงดูอาหารแล้วก็ดื่มกันเรื่องที่นำมาคุยนั้นเป็นการกระตุ้นโลภักกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะส่วนมากแล้วก็แยกย้ายกันข้าวาข้าวผักต่างๆจ่ยเงินไปที่ใดชีวิตก็ไร้าสาระน่าเอ็นดู ล้วก็อยู่กันได้อย่างไง้รืวอานี้ค่อนข้างมากแต่ข่าวคราวต่างๆนี่ค่อนข้างมากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมมันก็เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาไม่จะใครทำอะไรให้แกเราหรอกเราทำตัวเราเอง แต่เราก็มีกระโถนท้องพระโรงโยนให้นะฮะคือโยนให้รัฐ บ, บ, บาลแต่เรื่องศาสนาก็โยนให้มาเสียสมาคมมันมีกระโถนท้องพระโรงอยู่แต่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเพราะว่าคนเราถ้าไม่ช่วยตัวเองก่อนแล้วเนี่ยใครเขาจะช่วย หลักการอัติอัตโนา โ, นโัวตนเป็นที่พึ่งของตนนี่เป็นหลักการสำคัญคนต้องหนักรู้ว่าชีวิตของเราในแง่ความจริงต้องช่วยตัวเองให้รอดแม้แต่เด็กเล็กๆที่เกิดแว่ออกมาเนี่ยแม่ป้อนนมให้นะฮะแต่ลูกต้องกืนเองก็แสดงว่าต้องช่วยตัวเองมาตั้งแต่ตน ถ้าไม่มีการช่วยตัวเองแล้วก็ทำลายตัวเองด้วยการทุกรีกันแ้ที่วัดที่ขนาะเนี่ยวันใดจะเห็นพระจับกลุ่มเริ่มจะคุยกันแล้วก็จะเดินไปก็สอบถามอะไรเล็กๆน้อยแล้วก็กลับขึ้นกุฏิ ก็เป็นนัยยะให้รู้ว่าไปทาําหน้าที่ของตัวเองเถอะนั่งคุยกันกันมันไม่ได้สาระประโยชน์อะไรหรอกแต่ถ้าคุยก็ต้องเป็นการเรณธรรมศรราสตกันจ้าคือสนทนาธรรมกันตามการพูดง่ายๆว่าพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นกิจจลักษณะมีการศึกษามีการวิเคราะห์มีการวิจัยมีการวิจารณ์ ในแต่และเรื่องแล้วก็หาทางออกให้แก่ตัวเองในปัญหานั้นนั้นเพราะนัเราจะพบอาการประชุมในแวดวงของธุรกิจแวดวงของการเมืองแวดวงของตลาดหุ้นอะไรต่อไรนี่เขาก็ประชุมนะฮะมันติดตามสถานการณ์แล้วก็หาทางออกให้แก่ตัวเองเขาเรียกว่เป็นจิตจลักษณะ แต่ถ้าหากว่าครุกคลีกันแล้วเรื่องที่พูดเนี่ยในที่สุดมันจะเขาเรียกว่าปฏิสังยุตวยกามคือไปลงที่เรื่องเพศถ้าพระเราตั้งตั้งวงประชุมกันมากๆ ม, ม, มันก็จะออกมาตอนปลายปลายเนี่ยตอนปลายปลายจะออกมาว่าพรุ่งนี้ไปฉันที่ไหน อี่ ใ, ใครนิมนต์ไปฉันที่ไหนแล้วก็ถ้าเพื่อนยังไม่นิมนต์ตัวเองยังนิมนต์พระไม่ครบก็นิมนต์หลวงพ่าก็ไปสุดบนชันเพลนมันก็หาสาระแก่สารอะไรไม่ค่อยได้ดังนั้นชีวิตมันก็ผ่านเราก็แก่ไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งวัน แต่ก็พูดเรื่องกินแล้วก็ไปกินแล้วก็อิ่มแล้วก็อ่อนเพียก็ต้องพักผ่อนก็พักผ่อนแล้วก็อาบน้ำเอาท่าก็ขับถ่ายเขาไม่รู้จะอยู่ยังไงดังนั้นระดับพระอรหันนั้นท่านไม่มีอย่างนั้น อย่างที่บอกว่าไม่ถึงกับพระอาหารหันต์ดอกขอให้คนเราอยู่ในสังคมด้วยเหตุผลและความดีเท่านั้นปนัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดหรือเกิดก็เกิดน้อยประการต่อไปนะันคือจิตใจฟุง้งซ่านเต็นอา ก, การของอุทธจัจจะคือจิตมันฟุง้งซ่าน มันเป็นขัดขวางสมาธิตรงนี้มันเป็นขัดขวางสมาธิเพราะว่ามันอยู่ตรงกันข้ามกับสมาธิสมาธินั้นเป็นเรื่องของเจตสุบูปสัมมาคือความสงบแผงจิตแต่ว่าไอ้นี้มันเป็นอเจตสุูปสมาอาวุปสัมาคือความไม่สงบแผงจิต จีก็พุ้งส่น้นสั้สายคิดโน้นคิด น, น, ดนี้คิดนั้นไปเรื่อยๆเลยบางทีคิดไปคิดมาก็ถ้าเป็นพระวัดก็แค่ไปในสุดก็ออกไปสู่บ้านก็ใช้วิธีชีวิตแบบชาวบ้านต่อไปถ้าครองชีวิตโดยซื่อสัตย์สุจริตมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราจะเป็นพระือเป็นคาวาะไม่แปลกอะไร แตะเนื้อหาสาระจริงๆมันอยู่ที่ธรรมะปฏิบัติสีนั้นมันเป็นพัฒนาการทางการศึกษาสำเนียกเรียนรู้ทำความเข้าใจกับความจริงของชีวิตที่มีความเสมอภาคกันหมายความว่าชีวิตแต่และชีวิตนั้นรักชีวิตรักทรัพย์สินรักคู่ครอง ต้องการฝังข้อมูลข่าวสารในทางชี้ตรงไปตรงมาคนอื่นลหละคนอื่นก็เหมือนกั น, นมันเป็นสากลเป็นความต้องการสากลเป็นการปรับฐานความคิดที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนซึ่งเป็นภิกษุด้วยกันเป็นคาราวาสด้วยกัน ถ้าเราปรับฐานความคิดตรงนี้ได้ในรูกใจเขาใจเราได้ไปสิ่งเสียติดให้โทษที่วิตกกังวลกันมากในเวลานี้คือคนผิดจะต้องสนักรู้ว่ามันเป็นการประทุษรายต่อคนอื่นและขาว่าคนอื่นเหล่านั้นคือใครเนี่ยเราไม่รู้ เพราะยาเสพติดมันเผยแพร่ออก ไ, ไปในท้องตลาดบางทีก็โดน ญ, ญาติพี่น้องตัวเองลูกหลานตัวเองนั่นแหละแต่เราก็ขาดความสนักรู้ในเรื่อ ง, งนี้ต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยก็เนี่ยก็ด้วยความมากมากนี่แหละแล้วก็ไม่สันโดดไม่คำนึงถึงรูปแบบวิธีการในการได้ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ฉันรวยขอให้ฉันรวย ก็ชาบคนนะพรนี่ชอบมากเวลานี้ก็คือขอให้รวยคอยรวยคอยรวยพระเลยก็มันก็เข้าไปด้วยสร้างพระเครื่องชุดให้รวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้รวยอย่างนั้นถ้ารวยตัวเองก็ไม่ต้องจัดงานครับไม่ต้องจัดงานหาเงินเข้าวัดก็ให้พรตัวเองก็แล้วกันให้พรที่วัดก็แล้วกันให้วัดมันรวย สามารถพัฒนารูปรวัดให้มีความสร้างสรรพัฒนาไปได้แล้วก็บาประธรรมเครื่องเศร้ามองเหล่านี้จะมีแก่ภิกษุรุ น, นแก่คนนั้นนะฮะว่ากันตามความจริงแก่คนนั้นพอดีตัวประธานในเรื่องนี้เป็นพระอนุรุตชาวบ้านก็ตามพระก็ตาม เสียสูตรสะข้อหนึ่งจำนวนมากๆอย่างนี้ก็อยู่ยากแล้วเพราะมากๆเนี่ยมันนำไปสู่ความไม่สันโดษความไม่สันโดษมันก็นำไปสู่การครุกครีกันพอคุกครีกันมันก็เพิ่มข้อมูล่ะข้อมูลในวงที่คุยกันคนนั้นได้นั้นคนนี้ได้นี้คนนั้นเป็นนั้นคนโน้นเป็นนี้อะไรต่ออะไรต่างๆ จิตใจก็ฟุง้งซ่านจิตใจก็ไม่สงบอย่าวแม่เวทบงของพระเองนะเราจะเห็นว่าแถวอะไรล่ะแถวเดือนตุลากรยาตุลาพฤติการเนี่ยจะมีการสอบถามเรื่องสมณศักดิ์กันมาก ทีนี้ใครได้ใครเป็นใครเป็นอะไรใครได้เลื่อนเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นอะไรต่างๆครับแล้วก็ลึกๆก็คาดหวังเหมือนกับเพื่อนถูกหวยเนะี่ยก็คิดว่าเราก็คงจะถูกด้วยแต่เราก็เสียเวลาในการซักถามสอบถามว่ามันได้อะไรขึ้นมาถ้าเราได้เราจะเป็นอะไรขึ้นมาถ้าเราไม่ได้เราจะเสียอะไรไป คือความเป็นพระมันอยู่ชี่การพัฒนาศีลสมาธิปัญญาตานั้นเอ ง, งนั่นเป็นตำแหน่งที่คารวะเขาให้เป็นตำแหน่งที่เขายื้อแย่งกันอยู่ข้างนอกพอดีมันก็กลายเป็นเครื่องมือในการกำกับควบคุมสาธาจักรของผู้บริหารประเทศ ก็อ่อยเยือด้วยการให้ยศให้ศักดิ์ให้ตำแหน่งต่างๆแล้วในที่สุดมันก็ตกเป็นเครื่องมือสนองงานของคนหล่านเพราะในการเป็นอะไรนี่ไม่ค่อยสำคัญหรอกแต่ว่าเราทำอะไรเราปฏิบัติอย่างไร ในฐานะที่เป็นพระสนิกรของแผ่นดินเป็นราษฎรของแผ่นดินก็แต่งตั้งมอบหมายมาก็รับผิดชอบก็แล้วกันรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ที่ท่านมอบหมายมาแต่ถ้าถามมาถ้าท่านไม่มอบหมายมาล่ะภารกิจเหล่านั้นมันเป็นภารกิจติดกับภารกิจติดตัว หมายความว่าตั้งแต่เราประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนมาภารกิจเหล่านี้มันก็ติดตัวเรามาแล้วในคำอาราธนาในสัญญาบัตรแต่งตั้งพัชย์ยศมันมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งที่สำคัญขอพระคุณโปรดรับทุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับปฏิกร อนุคราะพระภิกษุ ส, สามเณรในพระอารามเลยมันเป็นเรื่องของคนตระหนักรู้แล้วก็รับผิดชอบในภาระของพระนะในฐานะที่เราเป็นพระเราเป็นพระมาตั้งแต่วันบวชแล้ววันภารกิจเหล่านี้ก็ติดตัวเรามาตั้งแต่วันบวชปัญหาต้องการ่าเรารับผิดชอบหรือไม่ อย่างการขัดแย้งกันในกับศาสนาบางศาสนาที่เขาโจมตีเราในเรื่องต่างๆนันตมาก็เป็นป ร, ริศนะแล้วก็ไม่มีค่าใชาจ่ายพิมพ์หนังสืออะไรทำเทศเทปอะไรเราไม่มีหรกแต่เราก็รอว่าใครจะรู้ขึ้นมาชี้แจงในเรื่องนี้บบ ก็ปรากฏว่าเงียบกันหมดอ่ะแต่เราคนเล็กๆ ก, ก็ต้องออกทาถูกคนแช่งก็เยอะคนด่าก็เยอะคนชมก็เยอะก็ไม่ได้ว่าอะไรกั น, นเรื่องของเขาเราไม่รับผิดชอบในความคิดของคนอื่นแต่เรามีภารกิจในการรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่ของพรกษุในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเอง ถ้าสุกทรงตามหลักที่พระเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้ก็คือถูกแล้วก็ทำโดยไม่มีใครแต่งตางเขาถามว่ามีอำนาจหน้าที่อะไรผมไม่จำเป็นมันมีมาตั้งแต่มนตอุปสมบทและที่จริงมันได้รับจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าไปซ้ำไป ภารกิจในการศึกษาภารกิจในการปฏิบัติภารกิจในการสัมผัสผลภารกิจในการเผยแพร่ภารกิจในการดูแลรักษาศาสนานี่มันเป็นภารกิจที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าตอรูปชาสอนนั้นท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นครับท่านแม่อธิบายละเอียดอย่างนั้นแต่เราก็ต้องตระหนักรู้ว่านี้คือภารกิจ เราต้องรับผิดชอบเหมือนพอมาย้อนกลับมาการมากๆนั้นมันไม่ใช่หนาที่การไม่สันโดษนั้นไม่ใช่หนาที่เพราะเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับแล้วก็การครุกครีด้วยหมู่คณะที่ไม่เป็นกิ จ, จลักษณะเว้นไว้แต่เป็นกิ จ, จลักษณะก็ไม่ใช่ภารกิจของเรา ความพุ่งซ่านเป็นค่าศึกต่อจิตใหญ่ใจอย่างแรงก็ต้องพยายามขจัดบรรเทาความคิดคุ่งซ่านเหล่านั้นออกไปเพรคุณสมบัติทั้งหมดที่พระอนุรุทธไม่มีอย่างสมบูรณ์ เราก็คงมีมากบ้างน้อยบ้างแต่ทายังไงอย่าให้มันแรงอย่ามากักมากอยากได้จนเกินเหตุอย่าโลภตะกรตะกรามหมู่มามจนเกินเหตุอย่าครุรีด้วยหมู่คณะจน ไม่รู้ภาระหน้าที่วันเวลาแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออยา่าไปสะสมข้อมูลที่รุงรังมากๆมันนอกเรื่องเช่นวิกิตยากรรมต่างๆที่ชาวบ้านเ็าต่อสู้กันมาเราก็อาจจะดูได้นะแต่ก็ดูแล้วก็จบ ก็ดูเท่าที่ดูอ่ะดูว่าเขาทำอะไรกันแล้วเราก็มาคิดในมิติของธรรมะมันก็เป็นข้อมูลในการมองแต่เรามองหาประโยชน์ได้เราก็ได้ประโยชน์เยอะแต่เรามองหาประโยชน์ไม่ได้เราก็ไห ล, ลเข้าสูก่กระแสวังวนของความขัดแย้ง วิธีการเหล่านี้มันก็อยู่ที่วิธีการคิดแต่สมมุติว่าเราจะเอาสีมาเป็นเกณฑ์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระนี่ก็นุ่งผมผ้ากาสาวพัดด้วยกันพอถึงจุดเด้งเนี่ยเราใช้ผ้ากาสาวพัดเป็นสัญลักษณ์เอ่อใครพบก็บใครที่ไหนเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรอยู่ส่วนใดของโลกก็ตาม จะมีความรู้สึกดีต่อ ก, กันแล้วให้ความเคารพนับถือกันดูหน้าตาไวใกล้เคียงกันก็สอบถามอายุบรรษาเท่าไรแล้วถ้าท่านแก่กว่าเราเราก็กราบท่านถ้าเราแก่กว่าท่านท่านก็กราบเรานั้นแสดงว่าใช้สีเป็นเครื่องสร้างสรรเป็นสัญลักษณ์เป็นการสร้างสรร ให้ส่องกมเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันทีนี้ถ้าเราขยายไปมากมากแล้วไปถึงอุดหนึ่งเราเปียนไม่เอาสีออกสีมันมันเยอะเอาว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันอยู่ในประเทศเดียวกันมีประมากาษะตริย์ะองค์เดียวกัน แล้วก็อยู่ภายใต้ธรรมชาติคือดินน้าลงไฟอากาศด้วยกันดินน้าลงไฟอากาศก็เข้ากันได้ทำไมเราเข้ากันไม่ได้ล่ะอาก็เปลี่ยนจุดเป็นคนไทยด้วยกันมีนประม า, กกาตกษสัตย์ตรงเดียวกันอยู่ในดินแดนเดียวกันศาสนาจะต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องของสังคมแต่แต่ละคนก็รับผิดชอบใน หน้าที่ที่ตนจะต้องทำต่อศาสนาของตนให้ดีก็แล้วกันดนี้การอยู่ร่วมกันด้วยปกติสุก็เกิดได้มันก็อยู่ที่วิธีคิดวิธีมองอะ่ะคือเราเรียนรู้จากความแตกแยกแปลว่าเรามีจุดที่จะประสานสามคัคคีว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ มันก็พริกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาใชา้มันก็ได้ประโยชน์อะไรนั่นเองทุกฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเก่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไพบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี